เรปฏิบัติคือจิตเดิมของเราเนี่ยที่เกิดกับเกิดมาอยู่ในหลายภพหลายชาติที่ท่านท่านยังอยู่เนี่ยแล้วอ่าตอนที่สมมุติว่าชาติที่แล้วเราเป็นฤาษีอย่เงี้ยนะจิตเดิมนี้ก็ได้ก็น่าจะรับรู้การปฏิบัติอะไรอยู่แล้วไปภพชาติก่อนเนาะเคยสร้างบุญบา ร, รมีมาจากไหนหรือสร้างบุญลังบาปกรมน่ยมันก็ติดปการไอ้จิตเดิมเนี่ยนะไอ้บัญญนะัตเนี่ยบัญญัตที่มาเกิดเนนะี่ย แต่วิญญาณนี่มาเกิดเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์มันเป็นวิญญาณเนี่ยเนี่ยเป็นวิญญาณตั้งเดิมแม่น่แต่มันไม่บริสุทธิ์คือมันยังผสมอยู่กับอวิชาไอ้วิญญาณตั้งเดิมที่ผสมกับวิชาเนี่ยวิญญาณตั้งเดิมก็คือเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติแต่ผสมกับอวิชาก็คือยังไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นแต่ยังเป็นความรู้ยึดอยู่คือเป็นเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเปรียบไอไอธาตุรู้เนี่ย หรือวิญญาณเนี่ยวิญญาณแปลว่ารู้นะวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณที่มาเกิดเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นทองคําแร่ทองคําในโลกเนี่ยพอเกิดโลกนี้มาปุ๊บก็มีทองคําเลยมีแร่ทองคําในโลกแต่แร่ทองคําในโลกเนี้ยทุกคนก็รู้ว่าในใต้โลกเนี่ยมันมีแร่ทองคําแต่แร่ทองคําเนี่ยมันยังไม่เป็นแร่ทองคําที่บริสุทธิ์คือมันมีแร่ธาตุอื่นผลมาโดยธรรมชาติมันพอเกิดโลกมามันก็มีแร่ทองคํามา ไอจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยวิญ ญ, ญาณเนี่ยมันก็มีแหล่เกิดขึ้นมาพร้อมธรรมชาติแล้วก็ผสมเอาวิชามาพร้อมกันเลยแล้วไอทองคำเนี่ยมันก็มีมาเกิดมาพร้อมกับโลกแล้วมันก็ผสมกับไอไอสิ่งที่ปอมปนมาเลยคืออาจจะผสมแหลอะไรรู้เราก็ไม่เราก็ไม่ทราบอะแต่พอเขาผสมอะไรเขารู้รู้ว่ามันมันมันต้องปะทะหลุไงแล้วก็พอเอาทองคำเนี้ยมาถลุงด้วยสติสมทญญาที่ปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้คือปเป็นเลือขําฝากเนี่ยด้วยอาริยามร์กนี่แหละเอามาทะลุงเข้า แต่ทองคำเขาก็มีเครื่องมือเขาถลุงเอาไอ้ไอ้ที่ผสมปอนปวนออกไปที่สุดก็เหลือเป็นทองคําที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละก็ไอ้นี่ก็เอาสติสมาธิปัญญาหรืออารยามารคที่พระเจ้าประทานให้มาอาวุธเนี่ยก็มาถลุงะลุงถลุงถลุงเนี่ยไอ้อาวิชาสิ่งที่ปลอมป่นอยู่ในในวิญญาณวิญญาณดั้งเดิมแต่แท้เนี่ยถลุงไปถลุงไปอ่ะไอ้สิ่งที่ปอมปนน่ะคืออาวิชาที่หลงยึดอยู่เนี่ยมันก็หมดสิ้นไปเหมือนกับไอ้ไอ้ที่แลกที่ปลอมป่นในทองคำมันหมดไปมันก็เลยเป็นไอ้วิญญาณาตแทท้ี่เป็นของ บริสุทธิ์เหมือนทองคำํำนี่พอมันบริสุทธิ์แล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นเป็นความว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่าเหมือนธรมาารมชาติจักรวาลเนี่ยเป็นความว่างมีแต่ความว่างแต่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างที่เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนานะมันเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรปรากฏเลยมีแต่อาการ ข, ของขันห้าปรากฏแต่ไอ้ไอผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏอะไรเลยมันรู้แต่ว่ามีอาการของขันห้าเนี่ยปรากฏเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยความไม่ปรากฏอเนี่แหลคือใจคือจิตเด้งเดิมแเดือ เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นความที่มีคนบอกว่าจิตเดิมเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนนี่ผมไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแค่ไหนอ่ะคือจิตเดิมเนี่ยที่เป็นประพัดสอนก็หมายถึงว่าไอ้ที่มันถลุงเสร็จแล้วมันจะเป็นประพัดสอนเอแต่ตอนที่ยังไม่ถลุงเสร็จเนี่ยมันก็มีอาวิชาผนมามเ่ยาวิชาผลมันคือมีความยึดมาเอถ้ามันยึดร้อยเปอร์เซ็นตมันกป็ปนเต็มร้อยอย่างไม่บรูุ้โสดาบันแต่ถ้า มาได้รับการสั่งสอนอบรมในพุทธศาสนาแล้วสิ้นยึดไปแล้วหนึ่งในสี่ส่วนหรือยี่สิ้าเปอร์เซ็นตสิ้นยึดไปแล้วยี่้าเปอร์เซนต์ก็มันจะสิ้นกิเลสละสิ้นยึดก็คือสิ้นกิเลสและความทุกข์ไปแล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือหนึ่งส่วนก็เรียกว่าได้โสดาบันแต่ เ, เ, ป เ, ปเป็นตัวเลขเปรียบเทียบสมมุติให้เห็นนะเอะแล้วก็ต่อมาเ ม, มื่อไม่ตายไปยังไม่เสร็จก็ไปเกิดอีกอย่างเงีย ไปเกิดอีกก็ไปทะ ล, ลุงต่อเอาสติธารมทิปัญญาอาริยามรรคไปถะ ล, ลุงต่อไอไอสติที่เหลือเนี่ยไอสีิเหลือเจ็ดิ้าเปอร์เซ็นอาไปท ล, ลุงต่อพอถ ล, ลุงเสร็จไอไอไอที่ไ อ, ไ อ, ไอที่เหลืออยู่ก็หมดไปเลยกลายเป็นจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนสุดท้ายเนี่ยมันแต่มันไม่มีหรอกที่ไปคอยได้ดูไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยแล่วางอันนั้นมันยังขั้นของไออริยามรรคอยู่คือขั้นทำ ข, ขั้นปฏิบัติในขั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรค ทุกสมุดไทยนิโรธมรรคทั้งหมดเนี่ยคือขั้นปรุงแต่งทั้งหมดอย่าเป็นขั้นปรุงแต่งทั้งหมดคือยังมีการไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางแต่พอพอขั้นพ้นทุกข์แล้วเนี่ยสิ้นกิเลสพ้นทุกข์แล้วนิพพานแล้วเนี่ยมันเลยขั้นอริยสัจสี่ไปแล้วเลยขั้นอริยสัจสี่คือทุกสมุดไทยนิโรธมรรคมันเลยไปแล้วคือไม่ต้องมารู้ละปล่อยวางแล้วคือเหลือแต่ใจที่วางปะใจที่ไม่ปรากฏตัวใจแล้วก็มีอาการของสังขารคือขันห้าเนี่ย อาการกิริยาการต่างๆเกิดเกิดดับๆเกิดๆดับๆส่วนไอ้จิตดั้งเดิัจย์แทจะไม่ปรากฏอะไรเลยจะไม่ปรากฏตัวอะไรหเห็นคือจะปรากฏแต่เพียงว่ากิริยาการเนี่ยของขันห้าเกิดเกิดดับ ๆ, ๆแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับมีแต่อาการเกิดดับเกิดดับแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับอย่างยกตัวอย่างนหะอย่างเราเคยแอ บ, บดูของพ่อแม่ครูอาจารย์ กับเปรียบเทียบกับคนตั้งหลายที่นั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็แอบดูนะนี้พ่อแม่ครู อ, อาจารย์ทั้งก็รับแขกตามปกติเงี้ยนี่การที่รับแขกตามปกติมันก็ต้องมีอาการเนะี่ยพอรับแขกอ่ะเป็นยังไงเป็นลูกใครมาจากไหนเนี่ยอะไรที่ไรตั้งแต่รับแขกตามปกติกันตลอดเวลาแต่เราก็แอบดูท่านตลอดเวลาคือแกงหนวดท่านแกลหนวดตัวท่านอยู่ตลอดแต่ก็แอบดูท่านตลอดแต่ขอก็มาแล้วล่ะขอก็มาท่านแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าถ้าเป็นพาระหลานใน คือในใน p l a z นครวาสทั้งหมดก็ยอมรับกันว่าท่านบรลุล้านแล้วอายุเกสิกว่าอยู่ก้าสิบแปดแล้วปุถาจารุทธโมพ่อแม่ขรูอาจารย์เราก็แกงนวดท่านแล้วก็แต่กลับแขกไม่ยังไงเป็นใครที่ไหนยังไงแล้วก็รับไปเรื่อย้ับแขกไปเรื่อยเราก็แอบดูตอนนี้เอ๊ะทำไมมองไม่ออกว่าท่านมีความคิดอารมณ์อะไรเลยทําไมเป็นอย่างนี้ยแต่มัน พอหันไปหาพวกท่านทั้งหลายเนี้ยอย่นี้อย่า ก, ก็นั่งกันอย่างเงี้ยคน อ, อื่นๆอย่เงี้ยโอ้ยมันเหมือนกับที่เนีย่ยเนาว่าท่านแต่ละคนนี้เลยแต่พอไปหันไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์เอยไม่รู้อะไรเลยทําไมเป็นอย่างนี้มะอย่างเงี้ยมันเลยเรามันมีลักษณะเหมือนอย่างเงี้เหมือนกับว่าไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันฉายไปที่จอคือรู้จักกันไหมทุกคนรู้จักบัง้งไอ้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่มันฉายฉายหนังฉายสารคดีฉายไอ้สารคดีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันฉายไปที่จอใช่ไหม อ้ไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ก็มีอะไรมันก็มีตัวไอ้โครงสร้างที่ทําด้จากกระสีทำได้เหล็กทํำอะไรเนี่ยที่เป็นตัวตัวโครงสร้างใช่ไหมกับไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยเปรียบเหมือนร่างกายแล้วก็ไอ้ข้อมูลข้อมูลที่จะไอ้เรื่องราวเนี่ยเขาเรียกอะไรนะข้อมูลที่จะเอาใส่เครื่องโปรเจคเตอร์แล้วฉายฉายไปขึ้นจอมันก็ข้อมูลอยู่ในนั้นแหะเป็นหนังเป็นเป็นหนังเป็นไอ้สารคดีข้อมูลที่เขาไปใส่เหมือนกับเป็นฟิลหรือเป็นอะไรก็เป็นเป็นไอ้เป็นคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปใส่ไปเป็นข้อมูลในนั้นนะ่ะแล้วก็ใส่ไปในโปรเจคเตอร์ไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์มันก็เป็นจอฉา ย, ยาเดียวแหละแต่มันบวกกับไอ้นันสิไปบวกกับไอ้คอมพิวเตอร์ซะมันเลยไปเชื่อมกันปุ๊ไอ้คอมพิวเตอร์มันก็ทํางานเอาโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เอาไอ้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ฉายขึ้นจอนี่มันมาฉายขึ้นจอปุ๊บก็เลยรู้ว่าฉายเรื่องอะไรแต่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ่ะท่านเล่นฉายขึ้ น, นบนขึ้นบนท้องฟ้าพอท่านฉายขึ้น แล้วจะไปรู้ว่าหนังเรื่องอะไรจะต้องฉายขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยฉายเป็นลำขึ้นไปเห็นแต่เห็นแต่แสงเป็นลำขึ้นไปเนี่ยเอามาฉายดูสิไม่ใช่เอาโปรเจคเตอร์มาฉายขึ้นนี้ดูสิเห็นแต่ลำแล้วก็เป็นแว๊บๆๆๆในไฟอะไปที่ฉายขึ้นไปเห็นแต่ว่าแวบๆนี่คือกัดหน้อากาศว๊บๆๆๆในในไฟไฟลำแสงอะเห็นแต่ว่าแวบๆนี่คืออาการของกัดหน้าที่ยังทางานอยู่ไม่ดับแต่ค้นจะดูก็จริงๆว่าฉายเรื่องอะไรไม่มีไม่มีรู้เรื่องเลย ผ่านไม่ออกเลยเพราะอะไรมันว่างเปล่าไปหมดแล้วไม่มีจอรับภาพไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้สเสวยมีแต่กาหน้าทํางานเดียวสิ้นผู้สเสวยไปแล้วแต่ของคนอื่นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันยึดหมดนะยึดหมดเลยมันเข้าไปยึดหมดอ่ะพอยึดปุ๊บเนี่ยนะคือสเสวยปุ๊บมีจอรับภาพตัวนี้นก็เสร็จแล้วเห็นหมด พอตายพบโยมมาทูตโยมมาบานก็มามันรวบเอาไปได้ว่าทํากรรมดีกรรมชั่วทำบุญบาปอะไจอมันไม่หายมันมันเป็นสายใส่จอยไอ้ตัวยึดอยู่ในใจมันเลยดับไปเฉพาะขันหน้าคือร่างกายแตกดับและไอ้ข้อมูลในในโปรเจคเตอร์คือคือเทียมกับเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณคือไอ้ไอ้สิ่งที่มันคิดนั่นคือตอบปรุงแต่งพูดได้แต่ปรากฏว่าพอขันหน้าดับร่างกายที่เป็นรูปดับไอ้โครงสร้างโปรเจคเตอร์ดับแล้วก็ไอ้โปรแกรม ไอ้ข้อมูลนะ่ยในโปรเจคเตอร์คือเวทนาต้นจากหาดซึ่งเป็นไอ้ตัวคิดถึงต่อปูงแต่งพูดได้คิดถต่อปูงแตงมีลมได้มันดับก็ถึงเวลาสิ้นอายุขัยมันดับแต่ท่านไม่มีไม่มีไอ้ไอ้ไอ้ตัวยึดข้างในใจของท่านอีกอันหนึ่งคือจอรับภาพอะ่ะเลยไม่เหลืออะไรเลยหายตัวไปเลยยมรูทูตหรือหรือเจ้ากรรมในเวททั้งหลายกรรมเวททั้งหลายก็ให้ไม่ผลไม่รู้จะให้ผลกับใครเพราะว่าหายไปแล้วเมือนกับพระโคติกาพระโคติกะเชื่อคอตายแล้วขนาดที่เชื่อกอตายเกิดบรรลุอรหันต์ขึ้นมา พี่นาปงได้ปงตกปุ๊บมรลรลุอรหันเลยย่อมมาโทษหาจิตวิญญาณจะไปลงโทษเอ้าคนเชิดค อ, อตายต้องไปนรกก่อนแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องฆ่าตัวตายฆ่าลอยชาติเอ้าหายไปไหนฮะไม่เจอแล้วหาไม่เจอไปถามพุทธเจ้าพระโคดิกะจิตวิญญาณพระโคดิกะหายไปไหนนะฮาไม่เจอพุทธเจ้าตัดว่าเออจิตวิญญาณของพระโคติกาบรลารลุอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้ว จิวิญญาณก็เลยดับไปเหมือนดังเปลวไฟซี่สิ้นเชือ้อหรือเหมือนดังเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าถูกเป่าดับพุ่มหายไปอย่างนี้เลยแต่พวกที่มีจอรับภาพมันไม่หายเลยคือร่างกายแตกดับไอ้เวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณนะไอ้ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การรับรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจมัรับรู้ไม่ได้ละมันดับแต่จอรับภาพที่อยู่ในใจที่ยึดเนี่ยมันไม่ดับเขาเลยมันรวบออกไปได้ เข้าใจไหมอย่างเงี้ยเราเราพูดดนเหตุเป็นใรูปร่างแล้วอีกองหนึ่งอ่ะเราไปแอบดูท่านวันนี้ท่านจะมีชีวิตอยู่เราจ ะ, าะจะไปเอ่ยชื่อน้ำจะไปเอ่ยน้ำท่านเราไปแอบดูท่านตอนที่เราล้างเท้าท่านนะเราเราส่งน้ำช่ยช่วยส่งน้ำให้ท่านแอบล้างเท้าท่านแล้วก็เอ๊ะทำไมพอ่พอพ่อแม่ครูอาจารย์ทําไมมัน มันมันว่าป่าไปหมดเลยมันทะลุไปหมดเลยมันไม่ติดอะไรเลยดูมันไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเาไปเป็นยางเงอะทำก็ปรากฏขึ้นในใจทันทีเลยบอกว่าเพราะท่านสิ้นผู้เสวยเสียวในทีเดียวที่ที่ทาปรากฏแก่ใจว่าเพราะท่านสิ้นผู้เสวยเน่ะท่านก็เร็วมากเลยยานของท่านเนี่ยท่านก็อะไรหลวงตาดูเราเราก็ไม่กล้าพูด แต่ท่านพูดอะไรก็เลยก็บอกว่าพราแม่ครูอาจารย์บอกให้พูดก็ต้องพูดแลแ้วตอนนี้ยก็เลยบอกว่าเพราะว่าอทำเก็ปรากฏว่าว่าแม่ครูอาจารย์สิ้นผู้เสวยแล้วสนกแหมเราต้องโดนดุแล้วท่านบอกว่าแหม่ดาะคําราชาศัพท์เชียวมันสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดบ้านถือมั่นผู้ที่สิ้นผู้ยึดบ้านถือมั่ น, น, น, นแล้วมันก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกขาเรียกว่า นิพพานไอ้สิ้กิเลสติ้นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานไม่ใช่มีเมืองอะไรแล้วมีใครไปถึงหรอกไม่ใช่ว่ามีสภาว่าอะไรแล้วมีเราไปถึงหรอกคือคือมันสิ้นผู้ยึดมันก็เลยสิ้นกิเลสแล้วสิ้นทุกข์มันก็เรียกว่านิพพานส่วนผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วเขาก็เรียกว่าพระอรหันต์เออเนี่ยการอธิบายไว้ชัดเจนนะ <S <S <S ผู้ยึดเนี่ยผู้จะ ย, ยึดได้มันก็เอาขันธ์ที่ปรุงแต่งได้มายึดได้แต่จิตเดิมแท้มันยึดไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเดิมแท้นั่นมันมันมันเป็นของไม่มีม ความไม่มีตัวตนมันว่างเปล่าแต่พอมันรวมมาขันหน้าปุ๊บมันยึดได้เลยเพราะมันมันเอาวิชาปฏิทิที่จิตเดิมแท้พอมารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟมันเลยกลายเป็นขันหน้าพราะไปขันหน้ามันเลยยึดได้แต่เนี้ยมันเอาขเอาอาศัยขันหน้านี้ไปปรุงแต่งยึดได้เลยแต่พอมันสิ้นยึดขันหน้าปุ๊บมันเลยว่างเปล่าเลยไม่มีตัวตนเลยเราแยกรูปแยกนามก็คือแยกรูปก็คือแยกแยกแยกผู้รู้ ไอ้ไอ้รูปนามเนี่ยมันมันใช่สองอย่างคือรูปขันกับนามขันคือรูปแล้วก็เวทนาสัญญาตั้งขารวิญญาณก็คือแยกรูปแยกนามคือแยกรูปไปแล้วก็แยกรูปขันละรูปขันไปแยกรนามขันเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณแล้วก็แยกรนามขันละไปปล่อยวางไปแล้วก็แยกรูปแยกนามวิญญาณนั่ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเรียกว่ารูปผู้รู้เรียกว่านามแยกรูปแยกนามให้ให้ชัดก็คืออย่าเอาใจเราเนี่ยไปติดกับสิ่งที่ถูกรู้ ซึ่งเป็นรูปราว่าสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเป็นรูปผู้รู้เป็นนามผู้รู้เป็นนามก็มันเป็นวิญญาณขันเนียมันเป็นวิญญาณขันเนีมันก็เป็นนามเลยมันเป็นวิญญาณขันนะผู้รู้เป็นวิญญาณขันขันที่5้ามันก็เลยเป็นนามส่วนไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยก็เรียกว่ารูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไอ้ธรรมารมมาเป็นาสัญญาสังขารเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ารูปเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้นามวิญญาณขันเนี่ยเป็นผู้รู้อย่าไป ยาวใจไปสนใจให้ไข้กันต้องการสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะไม่ติดรูปไปติดรูปแล้วก็ปล่อยวางนามผู้รู้ก็จะปล่อยทั้งรูปทั้งนามก็หลุดพ้นไปเอาเนี่ยอธิบายจส น, ยสนสิ้นไส่สิ้นพุงหมดแล้วเอาเอาละเอะเอาขอไอ้บนทุกบนทุกบนทุกมีความสุขความเจริญพุทโธตโมตังโกพุทโธตโมตังโกพุทโธตโมตังโก